เพราะฉะนั้นพระองค์ต้องการอนุเคราะห์หมู่ชนผู้เกิดในภายหลังจึงเสด็จไปเพราะว่ากุลบุตรทั้งหลายที่เกิดในยุคหลังๆขึ้นจะเห็นอ น, นิสงส์ของความสามคัคคีชื่นชมว่าโอ้ความสามัคคีนี่สำคัญมากขนาดพระพุทธเจ้ายัางต้องไปเยี่ยมถ้าพวกเราอยู่ด้วยความสมัครสมานสามัคคีกันถ้าพระองค์มีพระชนอยู่พระองค์ก็เสด็จมาแต่ก็ช่างเถอะเมื่อเราอยู่ด้วยความสามัคคีกันแล้ว ตั้งใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะอย่างก็ว่าผู้ที่สามาัคคีกันนั้นอนะ่ะเอ่อเกื้อกูลกันค่อนข้างสูงมากเนะนะี่ยนะว่าสองคนเพื่อนตายใช่ไหมก็ทุกคนก็ต่างจากเกื้อกูลซึ่งกันซึ่งกันและกันเนี่ยนะสามคนถ้าได้สามคนยิ่งเกื้อกูลกันแต่ถ้าร้าวรานกันเมื่อไหร่ก็ยุ่งมากเลยแหละ เหตุผลหนึ่งที่พระองค์เสด็จไปเพราะพระองค์เป็นผู้หนักในธรรมเพราะฉะนั้นกลุ่มใดชุมชนใดที่หนักแน่นในธรรมมีการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจะไปยกย่องเนยนะพระองค์เสด็จเดินทางไปเพื่อยกย่องผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมดังที่กล่าวไปบ้างแล้วในระทวินิตสูตรอัตถกถาที่ผ่านมาทีนี้พูดถึงเมื่อพระองค์ได้เสด็จเข้าไปถึงประตูป่าประตูป่าโคสิงขาสารวันเนี่ยนะ คนรักษาป่าเขาเรียกว่าทายป่าโลคนรักษาป่าก็นั่งรักษาคุ้มครองอยู่ที่ประตูป่าเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ดูแลป่าไม้นี่นะเขาล้อมรั้วประกอบไว้โดยประการที่พวกมนุษย์ในประเทศนั้นปรารถนาแล้วไม่สามารถจะไม่ใช่ว่าแบบเป็นป่าใครจะเข้าทิศไหนก็ได้นี่ไม่ใครจะเอาดอกไม้เอาผลไม้เอายางไม้เอาทัรสัมภาระออกจากป่านั้นไม่ได้ เขาคอยดูแลทำรู้ว่าทำอะไรอย่างดีก็เลยเรียกว่านายทายะป่าโลกคนรักษาดูแลป่าเนี่ยนะสมัยใหม่เราเจ้าหนะ้าที่กรมป่าไม้เนี่ยนะก็ดูแลไปที่นายคนดูแลป่านายทาวารบาลคนนี้เนี่ยนายทายบาบาลคนนี้กล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระมหาสมณะท่านอย่าเข้าไปยังป่านี้เลยนะป่าแห่งนี้มีกุลบุตรอยู่สามท่าน แต่ละท่านเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนท่านอย่าได้ทำความไม่ผาสุกแก่ทั้งสามนี้เลยอธิบายว่าภิกษุทั้งสามรูปเนี้เป็นผู้ที่อัตตกามรูปาเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนเราเป็นผู้มีความปรารถนาแก่ประโยชน์ตนยกตัวอย่างผู้ที่ไม่ปรารถนาประโยชน์ตนเลยก็คือผู้ใดบวชในศาสนานี้แล้วเลี้ยงชีวิตด้วยอเนสนายีเอ็ด เช่นเวชกรรมทำยาเพื่อรักษาคนไข้ทูตกรรมทำหน้าที่รับใช้คารวาสเป็นปแผนข่าวสารและการส่งข่าวเป็นต้นอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนเลยถ้าบวชเข้ามาแล้วไม่ตั้งอยู่ในสัมมาอาชีพไม่มีการประพฤติดีปฏิบัติชอบคอยคลุกคลีประจบประแจงคารวาสอยู่นั่นแหละกลุ่มเหล่านี้ไม่เรียกว่าเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนเลย ส่วนผู้ใดบวชแล้วในศาสนานี้ละอเนสนา21ประการเนี่ยนะทำตัวรับใช้ครือหัดเนี่ยนะตั้งอยู่ในจตุปาริสุทิศีลเรียนพระพุทธวจนะคำสอนของพระพุทธเจ้าอธิษฐานธุดงที่เป็นสัพปายะถือกรรมฐานที่ตัวเอง เ, อเหมาะกับจริตที่เรียกว่าชอบใจในอารมณ์38อย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยจากละเวกบ้านเข้าไปสู่ป่า จเจริญสมาบัติทั้งแปดให้เกิดจเจริญธรรมวิปัสนาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เรียกว่าผู้ไขประโยชน์ตนมันผู้ที่ใคร่ประโยชน์ตนเมื่อบวชแล้วก็ตั้งอยู่ในจตุปาริสุท ธ, ธิสีลเรียนพระพุทธพจน์เนี่ยน ะ, จะเจริญอยู่ด้วยทุดงสมถะและวิปัสนาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามนี้แหละเรียกว่าผู้ประสงค์ประโยชน์ตนเรียกว่าอตตกามรูปา นายอยู่วิหารันติเราอยู่ด้วยอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนเพราะประพฤติจในอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาอย่างสืบเนื่องต่อไปทำไมเนอะนายทวานบาลนายทายบาลเชิงห้ามพระพุทธเจ้าบอกว่านายทายบาลเนี่ยนะคนรักษาป่ามีความคิดขึ้นว่ากุลบุตรเหล่านี้เนี่ยนะสามขีพร้อมเพียงกันพระอนุรุท ธ, ธกิมิละนันทยะสามองค์เนี่ยพร้อมเพียงกันมาก ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเข้าไปเนี่ยนะคือเขาไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้านึกว่าเป็นภิกษุรูปหนึ่งนะั่นะเข้าไปปั๊บสามท่านเกิดความบาดหมางกันจะว่าไงถ้าเข้าไปแล้วสามคนเขาทะเลาะกันวิวาทกันเพราะคนบางคนนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะสมมติเขานั่งกันอยู่สบายนะสองคนเนี่ยเดินเข้าไปแค่นั้นนะสองคนนั้นก็แตกเขานั่งกันอยู่สบายสบา ย, สบายสามคนไอ้คนเนี่ยเข้าไปแล้วก็แตก เขานั่งกันอยู่สิบคนกาลังคุยกันสบายๆคนนี้เดินเข้าไปนะี่ยคุยไม่กี่ประโยคเนี่ยนะวงเนี่ยแตกคือเก่งไหมเหมือนเก่งนะแหมไปพูดถ้าเขาแตกแยกกราวรานกันหมดเลยเนี่ยนะเขากำลังเจริญสมถาทรเปัสนากันอยู่ดีๆเข้าไปเนี่ยวัดเขาแตกเลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยน ะ, ะเขาบอกว่าทําตัวเหมือนกับโคดุเขาแหลมเที่ยวขวิดให้เขาแตกแยกกัน ไปหมดเขามีนะสมัยสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนพระภิสุอยู่กันสองรูปสองรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งมีพรรษาวหเก้าอีกรูปหนึ่งมีพันษาวหกิบรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องรักกันมากและมากเลยแหละเสร็จแล้วก็มีพระรูปหนึ่งพอเข้าไปแค่นั้นแหละพระสองรูปเนี่ยไม่เหลียวหน้ามองดูกันเลยแล้วแยกกันเพราะอะไรเพราะแผนยุแยกใช่ไหมพูดคําของคนนี้ไปให้คนนั้นฟังไม่หมดพูดคําของคนนี้ไม่หมดไปฟังให้คนนั้น พูดเพื่อที่ต้องการเอาดีเข้าตัวแล้วสองคนจะได้แตกแยกกันเมื่อมแตกแยกกันก็อีกคนหนึ่งออกประตูทิศตะวันตกอีกคนหนึ่งก็ออกประตูทิศตะวันออกไม่มีทางมันจบกันเพราะว่าจากการร้อยปีจึงได้เจอหน้ากันอีกทีหนึ่งอะไรเอ้ไอ้แรงของการยุแยกเนี่ยนะยุแยกยุแยงตะแคงรั่วให้มันร้าวรานกันยากที่จะสมัครสมานสามัคคีกันเพราะบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมนิสัยแบบนั้นจริงๆคือจริงๆแล้วบางคนเขาบอกว่า ไอพูดให้คนอื่นเขายุแยกเนี่ยนะบางทีทําด้วยเจตนาดีแต่ประสงค์ร้ายะนะคือหรือบางทีก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการบอกคือคือสุยกตัวอย่างเบอกจะบอกคนนี้ให้ไปคุยกับคนนั้นนะเออเนี่ยถ้าคุณจะไปคุยกับคนนั้นคุณต้องระวังนะคนนั้นมีพฤติกรรมเลวหนึ่งสองสามี่ห้าย่าไปอย่าไปยุ่งกับเขาตรงนั้นนะอา้าวแล้วไปบอกอีกคนนึ่งบอถ้าคุณจะคุยกับคนนี้นะต้องระวังเนี่ยเขามีหนึ่งสองสามสี่ห้าที่มีปัญหา อีสองคนตั๊บก็จะระแวงกันทุกคนก็จะพูดแบบอะไรนะพูดแบบแตะขิตตะขวงใจแล้วก็เริ่มผวาผวาซึ่งกันและการทุกคนก็เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยกำความเลวของอีกฝ่ายหนึ่งเอาไวน้นะนะก็ต่อไปก็จะเริ่มขาดเมตตากันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น น, นั้นคนที่พูดจาสร้างความร้าวรานเนี่ยนะจะต้องระวังว่าเอ๊ะเขาร้าวรานกันแตกแยกกันเนี่ย เพราะคำที่เราพูดเป็นปัจจัยหรือไม่เราพูดอะไรทำไมเขาจึงแตกแยกกันอย่างนี้สังเกตให้ดีๆเลยเนี่ยนะเราพูดอย่างนี้แล้วเขาสบายใจไหมเขาพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะทะเลาะกันไหมพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะมองหน้ากันติดไหมเราก็ต้องระวังเนี่ยนะบางคนก็บางคนก็อธิบายเหลือเกินอธิบายจนเขาแตกแยกกันหมดเลยเนี่ยนะมันก็ต้องระวังให้ดีๆเนี่ยว่าจะเจ้ากรรมเนี่ยมันแยกยิ่งกว่าอะไรนะพวก ไอ้พวกอะไรที่มันสกัดอะนะสกัดหรือโคนตอนทุบเนี่ยมันก็ไม่แตกเข้ากับคําพูดนะคำพูดมันทําให้แตกแยกกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะบางทีพวกศึกษาธรรมะบางทีก็พูดซะแตกแยกกันจนมองหน้ากันไม่ติดเลยก็มีอันนี้ต้องระวังเลยนะอย่าคิดว่าเราดีนักเลยเนะี่ยอันนี้ต้องระวังให้มากๆเลยถ้าเราดีอยู่แล้วก็ไม่รู้ศึกษาทําไมก็ยังไม่ค่อยจะดีนี่แหละที่จะต้อง ปกป้องคุ้มครองรักษากายให้เรียบร้อยรักษาวาจาให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญก็รักษาใจเนี่ยนะเพราะว่าไอ้ตัวที่มันจะก่อเรื่องทั้งหมดเลยมันก็เกิดที่ใจและรักษาด้วยอะไรด้วยกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยประคับประคองให้จิตเป็นไปกับกุศลอ่านนายทายาบาลคนนี้เนี่ยก็นึกถึงไงเอเนี่ยถ้าหากมาสมณะรูปนี้เข้าไปแล้ว3คนเราจะเป็นยังไง อาจจะไปทำลายความสามัคคีของกุลบุตรทั้งสามท่านก็ได้อันนี้เหตุผลแรกเลยเนี่ยนะที่ห้ามเข้าไปกลัวสามคนจะแตกความสามัคคีกันเหตุผลที่สองก็แหละพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดูแล้วหน้าเรื่อมใสผิวพันนี่ก็เหมือนทองแสดงว่าเป็นคนที่ติดใจในรสเนี่ยนะเป็นคนที่ต้องติดใจในเรื่องอาหารแน่นอนจะต้องแบบชอบกินแน่นอนนะผิวจึงได้สวยขนาดนี้เหมัน เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเป็นคนที่ติดในรถมากๆเข้าแล้วเอ๊แล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะกลุ่มนั้นนี่น่าจะเดือดร้อนนั่งกันเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ติดใจในรถจะไปทําลายอัปปมาทวิหารธรรมของกุลบุตรเหล่านี้วิธีทําลายอัออปปมาทวิหารธรรมของกุลบุตรวิธีทําไง ไปถึงก็ไปนั่งชมคารวาสอย่างเดียวเนี่ยนะแต่ว่าพระภิสุสามรูปเขาเป็นสัมผูสมัครสมานสามัคคีกันปรองดองกันเจริญเมตตาอยู่ด้วยกันไปถึงนะตัวเองไปถึงไมยโยอมบ้านนั้นนะแต่ละอย่างที่เขาถวายดีทั้งนั้นประณีตทั้งนั้นเนี่ยนะแล้วก็มานั่งสรรเสริญแต่คารวาสถามว่าพระที่เหลือท่านจะปฏิบัติกรรมฐานไหมท่านก็ไม่เจริญกรรมฐานอันนี้เป็นเหตุผลเพราะว่า ้าพระรูปนี้ไม่สรรเสริญคารวาสมากไม่อยู่ติดพันกับคารวาสแล้วจะมีผิวพรรณงามขนาดนี้ได้ยังไงเป็นตน้นอันนี้ก็เหตุผลที่สองที่บอกอยาเข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวสมองค์เขาแตกแยกกันหมดนี่นะแต่ถามว่าเขาคิดถูกไหมโดยพื้นฐานสมมติฐานเขาตั้งไว้ค่อนข้างถูกนะนายทายาบาลคนนี้ก็นับว่าเป็นคนฉลาดแต่เนื่องจากแยกว่าคนที่มาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าไม่ได้เท่านั้นเอง แต่ถ้ารู้ว่าพุทธเจ้าเขาก็ไม่คิดแบบนี้นะแต่หมายเขาว่าแต่ถ้าภิกษุอื่นๆทั่วๆไปโดยมากเข้าตํารานี้เป๊ะเลยเนี่ยนะก็คือไปชักชวนให้คนอื่นตั้งอยู่ด้วยความประมาทนะนะเขากําลังเจริญคุณธรรมอยู่ดีๆก็ไปชักชวน ก, ก็แปลกนะว่าอย่างบางคนเขากําลังเจริญกุศลธรรมอยู่ดีๆชอบเสนอทางเลือกแปลกๆขึ้นมา ชอบเสนอทางเลือกแปลกจนไม่ได้เจริญกุศลหรอกอันนั่นสิอันนี้สิอันนู้นสิอันนี้สินนสนนสแต่งไปแต่งมาทําไปทํามาเลยอดเจริญกุศแลแระทกันทุกคนไปเลยเนี่ยนะอย่างเช่นคนที่ศึกษาธร ร, รมะเนี่ยนะพอพอเรียนธรรมะไปได้นิดหน่อยนิดนิดี่ยห น, น, น่อยยังไม่ค่อยจะรู้อะไรเล ย, เลยก็มีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาแล้วอันนั่นสิอันนี้สิอันนู้นสิอันนี้สินนนสนนก็เลยตกลงไม่ได้รู้อะไรเป็นชิน้นเป็นอันสักเรื่องเดียวเลยเนี่ยนะมันความอ่า การปฏิบัติที่จะดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็เลยกลายเป็นน้อยเต็มทีเพราะว่าผู้ประสงดีคืออะไรนะผู้ปรารถนาดีทั้งหลายเนี่ยมาสร้างปัญหาตลอดเลยนะผู้ผู้ปรารถนาดีอันนี้สิคุณต้องอย่างนั้นสิคุณต้องอย่างนี้สิก็กลายเป็นว่าโอ้ยวยุ่งวุ่นวายมากเลยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งแม้กระทั่งที่นี่ก็เหมือนกันบอกโอ้มานั่งฟังธรรมบอกว่าเออเนี่ย ท่านฟังคุณฟังท่านพูดไม่รู้เรื่องหรอกคุณต้องไปเรียนวิชาโน้นมาก่อนเรียนวิชานี้มาก่อนบางคนก็เลยไปไล่เรียนจนเลิกเรียนไปเลยไม่ได้สักวิชาเลยครันเนี้ยกลายเป็นว่าอะไรพอจะรู้เรื่องกลายไม่รู้เรื่องสักชิ้นสักอันเลยครันเนี้ยอันนั้นก็เลยไล่เรียนไปโอ้อันโน้นก็ดีอันนี้กวิเศษอันนั้นก็เลยปัญญา น, นิดเดียวเนี่ยนะเปรียบเหมือนอะไรเหมือนแก้วใบนิดเดียวเนี่ยแล้วก็เที่ยวหยอดน้ําประเภทชนิดต่างๆแล้วมารวมลงกันเนี่ยนะ มันก็ต้องระวังให้ดีว่าไอการข้อมาไม่ได้ห้ามไปเรียนไปศึกษาอะไรหรอกแต่ว่าทํำยังไงเอาตัวให้มันรอดเธอเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ไม่เลวนีก็เลยอันนั้นก็อร่อยนะบอกขนมก็อร่อยบอกทุเรียนก็อร่อยอีกตามส้มมะละกอก็อร่อยอีกโอ้ก็ท้องอืดตายอะไกันเนี่ยที่จริงทุกอย่างมันก็เป็นอาหารหมดอะแต่ถ้ากินไม่เป็นถามว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผู้ที่ศึกษาธรรมะก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะพอเรียนไปเรียนมาอันตนูก็ดีอันนี้ก็ดีก็บอก็ถามว่าเออท่านเรียนอันนั้นดีไหม ป, ปัญหาสําคัญไม่ใช่อยู่ที่วิชาอยว่าคุณน่ะมีความสามารถพอไหมล่ะเก่งพอไหมล่ะบริหารเวลาเป็นไหมล่ะนะแล้วคิดว่าจะรักษารักษาจิตให้กุศลกุศลธรรมเจริญยิ่งย่งขึ้นตลอดไปรอดเรียกว่าอะไรนะไปรอดตลอดฝั่งไหมล่ะวั่ ง, งานั้นก็เลยอันนั้นะคือประเด็นที่สําคัญที่สุดนั้นถ้าหากว่า เรารู้จักประมาณตนว่ารู้จักตนว่าตนเองเนี่ยคือใครแล้วก็เรียนทำไมมีเป้าหมายอะไรเพื่ออะไรเนี่ยนะนั้นคำโฆษณาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีอยู่แล้วล่ะนะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็เหมือนกับเราแวะไปในร้านไหนที่เขาขายของอะนะยังไงเขาต้องพูดสินค้าเขาดีอยู่แล้วซึ่งไอตรงนั้นปัญหาว่าเราได้ใช้ประโยชน์ไหมเหมาะกับเราไหมแล้วเราทำแล้วเราจะเจริญขึ้นไหมตรงนั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่ ที่สําคัญมากเนี่ยนะแล้วกอ็อย่างที่ว่าเนี่ยให้ตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยคว่าไม่ประมาทเนี่ยมันคือแค่ไหนและอย่างไรถามว่าผลลัพธ์ของความไม่ประมาทคืออะไรเดี๋ยวสูตรเนี่ยจะกล่าวต่อไปว่าถ้าอยู่ด้วยความไม่ประมาทผลลัพธ์ก็คือในที่สุดก็บรรลุมรักผลแล้วข้อปฏิบัติที่ทําให้บรรลุมรักผลนั้นอะ่ะเป็นไปโดยลําดับอย่างไรอันนี้เหตุผลที่สองไปแล้วนะเหตุผลแรก กลัวอะไรนะเดี๋ยวถ้าไปแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเกิดสามเออสามรูปนี้จะแตกแยกความสามัคคีกันเหตุผลที่สองเดี๋ยวถ้าเกิดสมณะผู้นี้เข้าไปแล้วสเออทั้งสามรูปกลายเป็นคนประมาทไปเลยเนี่ยนะเหตุผลที่สามบอกว่าที่อยู่ของกุลบุตรทั้งสามเนี่ยนะมีเฉพาะเท่านั้นเช่น สกุติก็มีอยู่สามหลังที่จงกรมก็มีอยู่สามที่ที่พักกลางวันก็มีสามที่เตียงก็มีสามตังก็มีสามทุกอย่างไม่มีเผื่อเลยเนี่ยนะพันสมณะนี้เนี่ยมีกายใหญ่เห็นอ่ะนะเป็นคนที่รูปใหญ่กว่าเพรันองนี้เนี่ยน่าจะพันสามมากกว่าถ้าพันสามมากกว่าพวกที่เหลือใบไงกันเนี่ยเอาสามองค์เนี่ยคือคือตามลําดับพระวินัยเนี่ยสิทธิ์ทั้งหลายโดยมากจะอยู่ที่ผู้แก่กว่าอ่านะใช่ คือโดยมากเลยเนี่ยนะถ้าวิหารตรงนั้นเนี่ยเป็นของสงฆ์ น, นะก็โดยมากก็คนแก่กว่าจะมีสิทธิ์เลือกเหมือนกับขึ้นรถ น, นะอย่างถ้าแบบจองรถเนี่ยใครเือตั๋วก่อนคนนั้นเลือกที่นั่งได้ก่อนใช่ถ้าเป็นตตัวรถ น, นะแต่ถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยใครบวชก่อนคนนั้นได้ตั๋วเข้ากับว่าดได้เลือกที่พักก่อนอ น, นะใครได้บวชก่อนเป็นต้นเฮ้ยไอ้นักบวชที่ที่มาใหม่เนี่ยพันษามมากกว่าคนที่อยู่ก่อน ส า, สามคนที่อยู่ก่อนเดือดร้อนแน่เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเจอคนที่เขามีพรรษามากกว่าเดี๋ยวจะต้องไล่กุลบุตรออกจากเสนาสะนะในเวลาที่ไม่สมควร